คำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏอีทางม า, าราชาภูมิภระสาสาราชินียาโหโตุสุขิโตโหโตุอะโรโ ทีขายุโกโตุมหาราชาภูมิพะโลสาลาชินีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาช ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพร ะ, กะเกษมสำราญปราศจากโรคขาพยาธิแพ่วพานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานชั่วนิรันดร